โยติหิยติโปโสระเรติปริหายติแปลว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้เธอย่อมเสื่อมยิ่งว่ามะรือนนี้ก็ยิ่งเสื่อมยิ่งว่ามะเรื่องนี้เจ๊งเลยครับผลัดว่าวันพรุ่งนี้มีแต่เสื่อมบังอาจเอื้อมเผลอเรอละเมเออขานยิ่งผลัดไปวันรือนยิ่งผืนการก็เสื่อมนานเนิ่นช้าไม่ว่าใคร การเวลานั้นๆนสำคัญยิ่งถ้าทอดทิ้งกิจการผ่านสมัยหมัวโอเออืดอาดให้คลาดไปที่ควรได้ก็เสียพลันในทันทีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นผู้ดำเนินรายการครับมาเริ่มกันด้วยนิทานจีนสักเรื่องหนึ่งวันนานมาแล้ว มีขอทานคนหนึ่งเที่ยวขอทานชาวบ้านก็ไปทั่วใช้ชีวิตอย่างน่าสงสารแต่ขอทานคนนี้แกหาได้เจียมเนื้อเจียมตัวไหมแกเป็นคนใจคอคับแคบแล้วก็ชอบรังแกคนจนด้วยกันเองวันหนึ่งเขานั่งเรือจะไปขอทานยังเมืองอื่นเวลานั้นท้องฟ้ามืดและอากาศก็หนาวเย็นมากหิมะก็ตกโปรยปลายก็ทำให้ยิ่งหนาวสะท้านเขาไปถึงขั้วหัวใจนั่งอยู่บนเรือครู่หนึ่ง เขาก็ยื่นเท้าออกไปทั้งถีบทั้งเขีย่ยคนที่อยู่ใกล้เมื่อได้ที่ว่างเขาก็แก้ห่อสัมภาระออกเอาผ้าปูกับพื้นแล้วก็นอนขดตัวอยู่ในผ้าห่มอย่างอบอุ่นข้างๆเขานะ่มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กทารกเอาไว้แนบอกเรือแล่นมาถึงกลางแม่น้ำอากาศมันก็หนาวจนกระทั่งทุกคนเน่ตัวสัน่นเด็กมันก็เริ่มส่งเสียงร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมา เลยดึงชายผ้าห่มของขอทานเอามาคลุมเท้าให้ทารกน้อยเจ้าขอทานจอมง ก, ก์ ร, รีบดึงผ้าห่มกลับเยอะเสร็จแล้วก็ด่าผู้หญิงคนนั้นตาบ้าไงไม่เห็นเนี่ยวันนี้เป็นผ้าห่มมังค่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็อ้อนวอนบอกว่าอากาศหนาวมากเลยลุงขอยืมชายผ้าห่มของลุงคลุมเท้าให้เด็กซะหน่อยเถอะกลัวหนาวก็ไม่ควรจะออกจากบ้านเนี่ยเมื่อออกจากบ้านก็ต้องไม่กลัวหนาว พูดจบก็ดึงชายผ้าหม่มเนบเข้าใต้ลําตัวเน็บไว้ทุกด้านคล้ายๆจะกลัวคนอื่นจะมาขอแบ่งใช้ชายผ้าหม่มเขาก็ม้วนตัวหลับอยู่ในผ้าหม่มอย่างมีความสุขผู้โดยสารคนอื่นๆต่างก็รู้สึกเห็นใจหญิงแม่ลูกอ่อนคนนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเหลื อ, อยังไงได้เนื่องจากพวกเขาก็ไม่ได้เอาผ้าหม่มหรือว่าเสื้อกันหนาวมาเช่นเดียวกันปรากฏว่าบนเรือมีบัณฑิตคนนึงเห็นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นเขาก็รู้สึกชิงชังขอทานคนนี้เป็นอย่างยิ่ง พอเรือเข้าเทียบท่าขอทานจอมงกเก็บสัมภาระเข้าห่อเรียบร้อยบัณฑิตคนนี้ก็เดินเข้าไปคว้าห่อสัมภาระห่อนั้นไปแล้วก็หิ้วขึ้นฝั่งหน้าตาเฉยขอทานนะตกใจมากรีบวิ่งตามห่อสัมภาระไปพร้อมกับร้องตะโกนคุณชายคุณชายทําไมหยิบห่อสัมภาระของข้าไปหน้าดา่ดานอย่างนี้ละ่ะบัณฑิตหนุ่มตีหน้ายักษ์เลยอะไรนะแกว่าสัมภาระห่อนี้เป็นของแกงั้นเหรอของข้าตะหกัก ขอทานโมโหใหญ่วิ่งไปดักหน้าบัณฑิตหนุม่มแล้วก็ยื้อแย่งหอสัมภาระเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ไปฟ้องร้องกันอย่างโลงศานในอำเภอฟังคําร้องของทั้งสองฝ่ายแล้วก็สอบถามขอทานว่าหอผ้าของเจ้านะ่ยมีข้าวของอะไรบ้างข้าเป็นขอทานหอผ้านี้เป็นเพียงสัมภาระเท่านั้นไม่มีเงินแม้แต่สตังแดงเดียวท่านในอำเภอก็หันมาสอบสวนบัณฑิตหนุ่มบ้าง บัณฑิตก็บอกว่าห่อผ้านี้มีสัมภาระเดินทางกับเงินอีกสิบห้าตำลึงนายอำเภอก็สั่งให้ลูกน้องตรวจค้นสัมภาระผลปรากฏว่าบัณฑิตหนุ่มพูดได้ตรงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนายอำเภอก็เลยตัดสินให้บัณฑิตหนุ่มชนะคดีนําห่อสัมภาระกลับไปได้ขอทานจอมงกก็เดินตามหลังบัณฑิตหนุ่มออกจากศาลด้วยความเศร้าซ้อยบัณฑิตหนุ่มก็หันมากราวกับขอทานบอกว่าเออขอโทษ ด, ด้วยนะเมื่อะกี้นี้ข้าล้อเจ้าเล่น ห่อผ้าเนี่ยจะเอากลับไปเธอะขอทานดีใจมากรีบเฉวยห่อผ้าก็เดินจำอ้าวอ้าวไปเลยแต่บัณฑิตหนุ่มก็คว้าคอเสื้อเขาไว้แล้วก็ลากตัวไปพบท่านแนมเพอเพร้อมมากล่าวหาว่าขอทานพวกนี้แย่งชิงทรัพย์สมบัติทั้งตัวไปนหนเพอก็เลยลงโทษขอทานด้วยการถูกโบย2ี่สิบทีพอปิดคดีเรียบร้อยบัณฑิตหนุ่มก็เดินมาถึงนอกเมืองก็โยนห่อผ้าคืนในขอทานจอมงกแล้วก็บอกว่า ผอผ้าเนี้เป็นของเจ้าจริงๆนะแหละเอากลับไปเถอะค่าเพียงแต่ต้องการสั่งสอนเจ้าโทษถามที่ไร้เมตตาต่อหญิงแม่ลูกอ่อนบนเรือโดยสารข้าไม่ชอบคนที่ชอบวางเคืองเห็นแล้วมันขัดลูกตาเออข้าเป็นปัญญาชนที่รักความเป็นธรรมแล้วก็ชอบจัดการกับพวกคนถอยที่ชอบรังแกคนอ่อนแอ พูดจบก็พละไปยังทรณงนับแต่นั้นมาเรื่องราวของบัณฑิตนิรนามผู้ชอบช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกก็เป็นที่กล่าวขวัญและเล่าลือสืบต่อกันมาส่วนขอทานเมื่อได้รับการสั่งสอนก็ไม่กล้ารังแกหรือว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอีกเลยครับนิทานจีนอีกเรื่องหนึ่งครับกล่าวถึงว่านานมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งเป็นคนเกียจคร้านเนื่องจากถูกญาติผู้ใหญ่รักแล้วก็ตามใจจนกระทั่งเคยตัว เขาไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองเลยไม่ว่าจะกินข้าวสวมเสื้อผ้าล้วนแต่ได้รับการปรนิบัติจากท่านย่าเสมอมาผู้เป็นแม่ก็ได้แต่เฝ้ามองด้วยความหนักใจต่อมาท่านย่าเสียชีวิตลงผู้เป็นแม่ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องหาวิธีอบรมบ่มสอนลูกให้เป็นคนขยันขันแข็งรู้จักช่วยตัวเองเสียบ้างแต่จะใช้วิธีการยังไงดีละ่ะผู้เป็นแม่ก็ได้แต่ครุ่นคิด วันหนึ่งปรากฏว่ารองเท้าของลูกเนี่ยขาดลูกก็วิ่งมาบอกแม่แม่จ๋าช่วยทํารองเท้าคู่ใหม่ให้หนูหน่อยสิใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วเท้าหนูจะได้อุ่นขึ้นแม่ก็บอกได้สิจ้ะลูกเวลาผ่านไปหลายวันลูกก็ทวงถามแม่อีกแม่แม่จ๋าแม่ทํารองเท้าให้หนูแล้วยังเอ่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะอยู่อยู่ไหนละแม่แม่เก็บเอาไว้ในห้องเก็บปืนนะลูกไปหามาใส่เองนะจ้ะ ลูกชายก็เดินกันไปในห้องเก็บปืนเห็นไม้ปืนกองสูงท่วมหัวแต่มองไม่เห็นรองเท้าก็วิ่งเข้าบ้านบอกแม่ไม่เห็นมีรองเท้าในห้องเก็บปืนเลยแม่ลูกหาทั่วแล้วหรือยังเลยจ๊ะลูกก็ได้แต่อึกอัดเพราะว่าตัวเองแค่เปิดประตูห้องเก็บปืนแล้วก็ใช้สายตามองหารองเท้าเท่านั้นไม่ได้ทําการค้นหาอย่างจริงจังแม่ก็บอกว่าลูกไม่ได้ลงมือค้นหารองเท้าแล้วรองเท้ามันจะเดินออกมาหาลูกได้เองเหรือ คนเก่งของแม่ลูกไปหาดูอีกครั้งนะจ๊ะลูกชายก็ไปที่ห้องเก็บปืนอีกครั้งหนึ่งก็เห็นปืนกองสูงท่วมหัวหากจะหารองเท้าก็ต้องรื้อกองปืนออกเป็นเรื่องยุ่งยากมากแล้วคนขี้เกียจอย่างเขาก็ไม่เคยนึกอยากจะทําหนูน้อยก็นั่งมองกองปืนด้วยความละเอียดใจนั่งเมา อ, อยู่ครู่นึงก็วิ่งมาบอกแม่แม่ครับผมหาดูแล้ว่แต่ไม่พบรองเท้าใหม่นี่ครับผู้เป็นแม่ก็หัวเราะ แล้วก็บอกว่าลูกแม่ลูกต้องค้นหาด้วยความพยายามสิรองเท้าใหม่ในะอยู่ในกองปืนนั่นแน่นอนถ้าลูกไม่มีความเพียรพยายามแล้วอ่ะย่อมหารองเท้าใหม่ไม่เจอแน่แน่ญาติพี่น้องคนอื่นๆเห็นแม่ทํากับลูกอย่างนี้ก็พากันซุบซิบนินทาว่าสงสัยยายแม่เนะี่ยจะว่างเกินไปไม่มีงานทําแล้วก็เลยเล่นซ้อนหากับลูกโธ่เด็กตัวแค่นี้มันจะแกล้งกันไปถึงไหน ใจร้ายยิ่งกว่าแม่เลี้ยงซะอีกนะชะ่แล้วก็ยังเที่ยวคุยว่าอบรมสั่งสอนลูกเก่งแต่ว่าผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้สนใจคำนินทาไร้าสาระเหล่านั้นยังคงยืนกรานเจตนาของตัวแล้วสั่งให้ลูกชายค้นหารองเท้าใหม่ให้พบวันรุ่งขึ้นแม่ก็บอกลูกบอกว่าเออแม่จะไปบ้านยายสองสามวันนะอากาศจนจะหนาวเต็มทีแล้วลูกต้องรีบหารองเท้าให้พบนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องทนหนาว พอแม่จากไปแล้วที่บ้านไม่มีใครอีกเลยลูกชายก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเอ่อก็เข้าไปในห้องเก็บปืนค้นหารองเท้าเป็นการฆ่าเวลาหาอยู่สามวันเต็มๆรื้อกองปืนออกจนหมดหรือหร้อจนเหงื่อท่วมตัวในที่สุดก็พบรองเท้าคู่ใหม่ซุกซ่อนอยู่ในกองหญ้าใต้กองปืนนั่นเองเป็นรองเท้าใหม่ที่สวยถูกใจจริงๆเขาก็สวมรองเท้าใหม่ไปตามที่ต่างๆไปโรงเรียนไปปีนเขา เขาก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็เฝ้ารักษารองเท้าคู่ใหม่อย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าจะหารองเท้าคู่นี้กว่าจะเจอเนี่ต้องออกแรงไปมากมายหลังจากกลับเยี่ยมท่านยายแล้วพอรู้ว่าลูกใช้ความพยายามจนหารองเท้าใหม่พบแม่ก็ดีใจมากลูกศรีษะลูกชายอย่างเอ็นดูรักใคร่พลางก็กล่าวอบรมสั่งสอนจำไว้นะลูกนะคนเรานะต้องขยันหมั่นเพียร ชีวิตถึงจะพบกับความสุขความเจริญครับผลแห่งความเกียดคร้านก็มีอย่างเดียวคือไม่มีวันพบกับความสาเร็จนะได้แต่นั่งมองคนอื่นเขาประสบความสาเร็จคนขยันขันแข็งเนี่ยชีวิตเขาจะมีชีวิตชีวาได้พบเจอสิ่งดีๆมีความสุขความเจริญประสบความสาเร็จมากกว่าคนขี้เกียจงอมืองอเท้าไม่คิดที่จะพึ่งพาช่วยเหลือตัวเองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ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 เองจงคอยขะอยู่ที่นี่บางทีขาจะต้องไปช้าสักหน่อยแต่เองจงคอยขะอยู่ที่นี่ก็แล้วกันแล้วขะจะกลับมารับได้ครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าหากอาจารย์ไปนานๆแล้วถ้าหากผมเกิดหิวขึ้นมาผมจะกินอะไรล่ะครับอ้าวเองก็ไปเก็บก้อนหินมากินสิที่นี่มีก้อนหินก้อนกลัวตั้งเยอะแยะไปเออไ ด, ได้ครับอาจารย์อ่ะแล้ว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 พวกพระช่วยกันสร้างห้องพิเศษขึ้นอีกห้องหนึ่งในโบสถ์นั้นห้องดังกล่าวน้ทาสีทองสีเขียวและสีน้ำเงินพร้อมทั้งมีประตูทาสีแดงแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็จัดการนาเชิงเทียนสูงคู่หนึ่งตั้งไว้ทั้งสองด้านของห้องดังกล่าวท้งนี้เพื่อใช้เชิงเทียนทั้งคู่นี้เป็นที่ติดเทียนจุดไว้ตลอดทั้งวันพร้อมทั้งได้นำหีบบรรจุข้าวศักดิ์สิทธิ์ตั้งไว้ในห้องนั้นด้วย